จ ะ, ะเห็น่ในธรรมเจอทะหานสาวทุช น, นวันนี้วุญใจชื่นใจเนอะได้มาพบ ก, กับปัญญาชนทั้งหลายที่มีความสนใจในเรื่องธรรมะธรรมโมคำสอนของพุทธเจ้าดังได้ทราบประวัติของพุทธธรรมนำทองในมงศรที่นี่ อดอบรมปฏิบัติธรรมบางธรรมกันเป็นประจำเพื่อนำเอาธรรมะการสอนพระพุทธเจ้าไปใช้กับการทํางานและทางชีวิตของตนและสังคมเพื่อนร่วมงานด้วยเป็นเรื่องดียิ่งให้หลวงตาขอเป็นเพื่อนด้วยชกชีวิตหนึง่งว่าถูกต้องที่สุดตอนนี้ทางสมาคม โดยกำหนดมข้อให้พูดว่าหลังเอกของชีวิตมันก็ถูกต้องทีเดียวหลังเอกอยู่ที่ใดไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราตอนนี้ไม่ใช่หลงตาเป็นผู้พูดพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ตอนตรัสรู้หนึ่งคืนผู้เจ้าเดินทางสายนี้เอกมโคโหวิสุดที่ยา ทางเอกหมายเลข่หนึ่งคือสติปธธัฏฐานสี่อาจจะไม่ตรงคูดด่ตรงอื่นที่นี่เรื่องอื่นท่านรู้มามากแล้วไม่ใช่สอนเรื่องท่านรู้ที่มาพูดวันนี้มาพูดเรื่ท่านได้เอาไปทำพูดนี้เป็นการเห็นไม่พูดให้ฟังนั้นเราภาคหนังบรรยายภาพต่างๆ ให้ดูแต่ว่าดูนี่ไม่ใช่เอาตาดูตนน่านหนคือความรู้สึกตัวดูมันจะเห็นทางดูตรงไหนตัวตรงกายของเราเป็นภาคที่เชิงในการปฏิบัติพูดให้เห็นไม่ใช่พูดให้จำการจำการไม่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สัจธรรมใครก็รู้ มีความรู้กันทุกคนรู้ว่าโกรธมันไม่ดีแต่เรายังโกรธอยู่บางท่นที่รู้ว่าไม่ดีความทุกข์ก็ไม่ดีเรายังโทษพากันทุกข์อยู่ความรู้มันใช่มาได้ถ้าถามทุกท่านอยู่ที่เนี่ยโกรธดีไหมทุกคนก็ตอบว่าไม่ดีทั้งำไมยังโกรธอยู่น่าจะหายโกรธไปแล้วถ้ารู้ว่าไม่ดีเพราะนั่นความรู้นี่ย ไม่ใช่สัจธรรมจริงๆธรรมะต้องพบเห็นเข้าพบเห็นเขา้าก็เห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นดังที่พิธีกรท่านกล่าวหลนตาก็มันจะพูดตรงๆตรงกันข้ามถ้ามันหลงก็รู้เดยเข้าไปในความหลงให้มีความรู้เหยียบอยู่บนความหลงดั้งก็หลงเป็นทางเง้นป่าถ้าป่าม ไม่มีใครเหยียบเป็นทางมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นทางได้คือตอนที่มันหลงพอมันรู้ตรงที่มันหลงเหยียบไปหนึ่งก้าเหยียบเป็นหน่ข้างพอเหยียบบนหลงหลายข้างหลายหันก็เป็นรอยแห่งความรู้เรี้ยวเป็นทางได้อันหลงตรงไหนรู้ตรงนั้นจะให้ความหลงเป็นความหลงมันจึงจะเป็นทางความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนใบมีดรถแทก็กเตอร์ ผ่านไปที่ใดมักจะเป็นทางไปเดี๋ยวนี้เสีภาพที่ลูกกับสีภาพที่หลงเราเดินอยู่ตรงไหนชีวิตเราผ่านมาถึงวันนี้แล้วถามความลูกความหลงอันไหนมันมากกว่ากันในชีวิตของเราถ้าเราตอบได้ก็คงจะตอบออกจากเครื่องๆกลางเช่เราเดินอยู่วันหนึ่งไม่น้อยอาจจะไม่ลูกอะไรเลยก็มีเหมือนกัน เพราะนั่นจึงฝึกหัดให้มีความรู้อยู่บนกายหยี่าไปบนกายตามภาษาเอาที่องสอนใครก็รู้ว่ากายานุปจนามิสี่เห็นกายเห็นไม่ใช่เอาตาดูเป็นตาภายในนันเห็นไม่มีคำถามหรอกถ้าเห็นกายรายอยู่ตรงไหน ตามรูปแบบของสติปัฏฐานพระเจ้าก็เพียงแต่บอกว่าการคู่เฉนเข้าการเหยียดเขียนออกการคู่เขนเข้ารู้เห็นการเหยียดเฉนออกเห็นรู้ให้สาธิตดูสักหน่อยถ้าใ จ, จดีเพื่อจะได้สัมผัส ด, ดูให้ทุกท่านมือวางไว้บนเข่าดูมือข้างขวาก็วางเข่าข้างขวามือข้างซ้ายก็วางเข่ า, ข, ข, า ข, ข้างซ้าย เหมือของท่านอยู่ที่ไหนตอ บ, บอเองตอบได้ไหมมืออยู่ที่ไหนถามใครไหมว่ามือสองแขนอยู่ที่ไหนมีคําถามไหมใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนเห็นเราเห็นถ้าเราตาจะขอบอกว่ามือของท่านอยู่ข้างหลังเชื่อไหมทําไมไม่เชื่อเราเป็นอาจารย์่มาสอนเราไม่เชื่อกันยังไงฮะ <laughs> ทำไมไม่เชื่อของเท็จตัวของจริงเนี่ยเชื่อใครเชื่อใครเชื่อลองตาหรือเชื่อตัวเราหลองตาบอกว่ามือของท่านอยู่ข้างหลังไม่เชื่อใช่ไหมถูกไหมล่ะตัดทิ้งใจได้ไหมแน่นอนนะถามลองตาไหมลองตามือของฉันอยู่ที่ใดถามไหมไม่มีคําถามของจริงไม่มีคําถามเอาพิษกังข้างขวาตั้งไว้ รู้เลพริกมือตะแคงวารู้ไหมมือข้างของท่านอยู่ในท่าใดเห็นไหมอะไรเห็นอะไรเห็นมือตะแคงอยู่ละตาหรือว่าอะไรหลับตาดูเห็นไหมอา้าวไม่ใช่ตาเสร็จแล้วเป็นพวมรู้สึกใช่ไหมนี่ดวงตาภายในยกขึ้นหายาพัฒน า, ามิสติเห็นกายยกขึ้นรู้มานี้ รู้กนน็แบนี้รู้ลูกออกไปรู้รู้รอย้่ากดจะ ก, กึงหายใจลงโร่งยิ้มยิ้ ม, มาัางมาอยู่ไหนเมื่อกี้นี่อยู่บ้านได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่ไหนอยู่ที่มือใช่ไหมอ่าอยู่ที่มือเคยอยู่อย่างนี้สักหนึ่งขั่วโมงไหมเคยไหมทำไมไม่เคยไปลู้เอะไรละ่ะ ก็ตัวสอนฝรั่งเขาขยี้เราไม่เหยู่ห้องโถงอย่นี้แหละเขามายืนอยู่้ประตูเนี่ยขอสัมภาษณ์ได้ไหมเราเขาบอกได้เข้ามาเราก็วังเยืนคนลุ้นเลยมาคุณมาสอนเนี่เติม อ, อะไรเขาว่ า, าครูใช่ไหมคำพูดจากเนี่ครูไหมเรายืนอยู่เรานั่งอยู่ก็บอกให้เขานั่งเราถ้าคนยืนอยู่คนแสดงท่าตะโกน เรานั่งอยู่แสดงทำแต่คนเกิอนอยู่ต้องอบัตรแสดงไม่ได้อันนี้เรานั่งไงเขาว่านั่งลงพลังนั่งไม่เป็นนะหัวเขา่าขดสมาธิมันเราไม่เป็นเราบอกว่าให้มันยกเรารู้ตัวเองเรารู้ตัวเองคนรู้ตัวเองคนรู้ยังไงเขาถามนะบอกให้พลังเอามือวางไว้มันรู้ภาษาพลังว่าอะไรฮะสิบสี่จังหวะหนึ่งรู้ สองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหลูกเจลูกแลูกเ้าลูกสิบลูกสิบอ็ดลูกสิบสองลูกสิบสามลูกสิบสี่ลูกสิบสี่วินาทีดูเขียมวินาทีนะฮะสิบสี่วินาทีได้สิบสี่ลูกจะไม่เป็นมหาลูกได้หรือ วิเจ้าบอกมหาสติปัฏฐานจากหนึ่งลู่หนึ่งลู่หรงลู่มันมีทางอยู่ตรงนี้ทางเอกมันอยู่ตรงนี้กายานปัญนามีสติเห็นกายลู่ลู่มหาลูชเ่้ามองหนึ่งถ้าลู่ทุกวินาทีจะได้จีลู่อาจารย์เช้ามองหนึ่งไม่จีวินาที สามพันหกร้อยวินาทีสามพันหกร้อยลู้มันจะไม่มากได้ไงเป็นของที่ทำได้ปฏิบัติได้สภาพลูน้นี่ไม่มีการไม่มีเวลาถ้าเราปรขัตตนจักเริ่มโั้หน่อยอ่านหนังสือก็รลู้ไม่ใช่อยู่ที่เคยมีบ้างไหมอ่านหนังสือไปสองมัทัดสมทัด ไม่รู้เรื่องอะไรมีบ้างไหมต้องกลับมาอ่านใหม่อีกทําไมไม่รู้ไม่เคยฝึกไม่แม่นยําไม่ชัดเจนถ้าเราฝึกมันจะแม่นยําชัดจเจนหมาะแก่กางานใทํางานทําการเป็นพ่อคนแม่คนเป็นสามีปัญญาจะมาะที่สุดธรรมะเนี่ยไม่ใช่หนีไปบวชให้หลวงตาบวชก็พอแล้วเอาไปใช้กับครอบครัวของเรา ย่งเป็นทางอยู่ตรงนี้ไอทางเอกเอกคือหมายเลขหนึ่งด่วนด้วยประเทศสนรัดมีทางฟรีเวประเทศเะามีทางไฮเวฟรีเวนี่ทั่วประเทศบิ่งฟรีเวไม่มีไม่ลดไม่ติดเลยฟรีเวของเขาคือละจะเฉพาะรถนั่งอย่างเดียวรถบรรทุกรถโดยสารไม่ให้ไปมีแต่รถทำงานหนึ่งนาทีสองนาทีสิบนาที กำหนดตายไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราต้องรถติดทงนนทาเวก็ยังติดใช่ไหมฟรีเวไม่ติดดวนไหมตรงนี้มีอะไรขวงขังข้นไหมลูกถ้ามันหลงเอาไปรู้ได้ไหมเวลามาหลงรู้ได้ไหมดีเสียด้วยคุณตหลงมันแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้อย่าไปคิดว่ามันผิดคําว่าภาวะที่รู้นี่ไม่มีคําว่าผิดไม่มีคําว่าถูกมันผิดก็รู้เนี่ย มันถูกก็รู้มันทุกก็รู้มันสุกก็รู้มันหลงก็รู้มันรู้ก็รู้ไม่เสียหายจึงเหนือเลยเป็นทางจริงๆตัวนั้นเป็นทางอยู่ในหัวใจเราไม่ลืมตรงนี้ถ้าเรามีทางตรงนี้แหละมันไปเอียงไปไหลไปถ้าไม่มีความหลงอะไรจะเกิดขึ้นระหว่ า, างความหลงกับความรู้เนี่ยมันไม่เป็นธรรม เราเมื่อมาเห็นความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อมาเห็นความรู้สึกตัวสัมผัสกับความรู้สึกตัวไปสัมผัสกับความหลงมันจะต่างกันไม่มีใครบอกเราเลือกเป็นด้วยไม่มีใครเอาความหลงความหลงกับความรู้อะไรเป็นธรรมตขอบตัวเราความหลงเป็นทรรไหมความรู้เป็นทรรไหมสัมผัสตัวเลือกได้ไม่มีใครเอาความหลงหรอก เพราะมันไม่เป็นธรรมต่อชีวิตเราพวงรู้ตัวเป็นธรรมที่สุดเลยเป็นธรรมที่สุดเลยความหลงความเป็นธรรมไม่เนี่ยเราไปหาความเป็นธรรมจากสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นไม่ได้ต้องมีความเป็นธรรมในตัวเราเป็นที่ตั้งก่อนคนอื่นเขาจะนินทาเราเขาจะสนเสริญเราหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นถ้าเราไม่ความเป็นธรรมเรามันจะมั่นคง ชีวิตจะมั่นคงเรื่องนี้ไม่มีใครแบ่งกันกันไะด้ต้องฝึกเอาเองเรียกว่าวิชากมามานวิชากมามฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นวิชาที่ลิขิตชีวิตของเราไปถึงจนหมายปลายทางถ้าเรามีสติมันก็ละกความชั่วถ้ามีสติมันก็ทํำความดีถ้ามีสติ ค, สตคิดบริสุทธิ์ไม้มันคิดก็ไม่หลงไปกับกวามคิดรู้สึกตัว ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เรารักษาศินน่ะไม่ห้ามคิดไม่มีใครเห็นคิดแม่แต่คิดก็ผิดสินในรรมวิด็นไรพิสุคิดถึงการเข่าที่เคยซิกซี่เล่นหวัวลอกหยอกลอก้อกับเพื่อนกับมาตุคามถือว่าสินงองเธอทะลุแล้วด่างแล้วห้อยแล้วแม่แต่คิดก็ผิดสินเพราะนั้นสติมันจะเห็นแม่ทั้งความคิดเพราะมันคิดไปกับมาลูก มันจะมีตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมีไหมความคิดไม่ได้ตั้งใจเวลานอนหาเรื่องมาคิดมีไหมไม่จากคิดมัน็นว่าคิดมีไหมเพราะไม่เคยฝึกถ้าเราฝึก ด, ดีๆอ่ะมยหลับสบายได้ฝึกไปเรียนอนทำไงนอนตะแคงข้างไหนก็ได้พิกมาหรือไม่พลิกก็รู้สึกตัวจบปิดประตูน้าต่างเก็บข้าวเก็บของน้องพลิกมานอนหลับตาขมรู้ หลับสบายไม่ฝันถ้าบางคนหาเรื่องมาคิดในเวลานอนนอนก็ฝันกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดไปดชั่วโมงก็ไม่อิ่เหลดเลยสิ้นพลังงานมากันเพราะเราการฝึกกรรมฐ า, านนีด่ดีดีนะพวกเราทัางหลายเป็นคุณธรรมเป็นคุณสมบัติเป็นคนข่าของชีวิตเราไม่สิ้นเปือกนะมันก็ตรงกันข้ามพอดีไป สัมผัดความหลงสัมผัสความรู้ก็รู้ไปรู้ไปแล้บางความรู้ไม่ใช่ความรู้เฉยๆอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมีแต่ความรู้เป็นตัวเฉลยเป็นตัวเฉลยไม่ใช่เหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมเหตุผลฆ่ากันได้ทะเลาะกันได้แต่สัจธรรมนี้มันเป็นไปไม่ได้เช่นเราโกรธความโกรธกับความรู้จากตัวมันต่างกันความโกรธเหมือนหน้ามือความไม่โกรธเหมือนหลังือ เคยเปลี่ยนตรงนี้ไหมปฏิบัติเคยเปลี่ยนไล่เป็นดีมันโกรธรู้เปลี่ยนไม่โกรธได้เวลามันโกรธมีสิทธิไปโกรธไหมมีไหมเคยใช้สติไหมหรือเวลามันโกรธเราทำตามความโกรธถ้ากูได้โกรดตายกูไม่ลืมรีบไม่ใช่ลองเปลี่ยนดูซิเวลามโกรธเราเปลี่ยนเราดูถ้าเราฝึกจะง่ายมันก็เปลี่ยน เรียกอาจจะ ย, ยากหน่อยเพราะเปลี่ยนไปมันยังโกรธอยู่แต่ไม่เป็นไรหาหดไปก่อนเวลามันทุกเปลี่ยนทุกเป็นตัวรู้อะไรก็ตามเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้ไปก่อนอย่าหาเหตุผลเพี่ยนไปก่อนพระพุทธเจ้ามองยังไงสอนอยังไงแล้วสบายแล้วกายสบก า, กายไม่ใช่สัตว์ประกอตัวตนเราเขาเห็นกายไม่ใช่กายมัไม่ฟังเสียงใคร เห็นกายในกายมันมีทนอยู่ในกายกายนี่เป็นกายมหาภูตารูปมหาภูตารูปที่เป็นรูปเอาใจให้ละความชั่วทำความดีถ้าเรามีสติใช้กายทำความดีได้ให้กายละความชั่วด้ถ้ามีสติใช้จิตทาความดีใช้จิตละความชั่วด้เดี๋ยวนี้เราไม่ไม่สามารถที่จะคลองตัวเราได้คุบร้อยคงดีผูผูแผกแผเพราะไม่เคยปึหัดตัวเอง ถ้าเราผั่อตัวอ่องเนี่ยมันดีฟองตัวเองไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วก็เปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ถ้าเราหลงมราไม่สิทธิ์รู้ถ้าเราทุกเราก็ไม่สิทธิ์รู้ให้ตัวรู้นำไปเรียกว่าสมรสอนนาทองหมายถึงตัวเองนำไปให้การเผือของหลักของการปฏิบัทางเอก เป็นจริงๆเป็นทางจริงๆมันจะเป็นทางไปเหมือนที่ปา่าหญ้ามันลกถ้าเราเดินจงกรมกลับไปกับมาสักสี่ห้ารกก็เป็นทางได้ในกายของเราในใจของเราก็เหมือนกันให้เรารู้เอาไว้อะไรก็รู้เอาไว้รู้เอาไว้รู้เอาไว้ให้รู้เอาไว้มันชินแล้วมันจะเป็นเหรือบื้องโทษต้องหัดเสียก่อนต้องฝึกหัดเสียก่อนถ้าไม่หัดมันไม่เป็นถ้าไม่หัดมันไม่เป็นให้กายไปต่อเอาสติ ให้กายาไปต่อสติให้มันติดกันให้ใจไปต่อสติให้มันติดกันเดี๋ยวนี้กายไปต่อความหลงใจไปต่อความหลงมันเลยติดความหลงไปามหลงไม่เป็นธรรมะเพราะนันไเราจึงต้องฝึกฝนตนเรีนอย่างนี้ว่าให้เป็นเห็นให้มันเห็นไม่ใช่รู้พบเห็นคิดเห็นกับพบเห็นมันต่างกันการคิดเห็นเนี่ยมันไกลกานพบเห็นมาเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันหลงเห็นมันหลง ทำได้ทันทีทำไมจึงต้องมาสร้างเป็นรูปแบบอย่างนี้เพื่อให้มีปัจจุบันถ้าไม่มีปัจจุบันชีวิตของเราจะวิ่งไปข้างหน้าวิ่งคืนข้างหลังปัจจุบันเนี่ทิ้งเลยอย่างพุงนี่มีไหมพุงนี่มีไหมมีเคยเห็นพุงนี่มากเห็นเมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่เห็นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมรูอแบนมีไหมมี ม้ำหวานหล ว, ง, ห ว, ง, หวงตากไปเกษตรหนุนที่หลวงแจ้วแต่เมื่อผ่านมาแล้วไปแค่ไม่ได้อีกแล้วมันผ่านไปแล้วมันทําได้เวลาใดปัจจุบันเนี่ยเราจึงต้องมีปัจจุบันให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวดูให้มันติดต้นเหมือนต้นก้าต้นข้าวเราปักลงไปในดินเนี่ยธรรมชาติของต้นข้าคือปักบนในดินมันจะงอกงามขึ้นมาเมื่อจิตอยู่ในกายแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้พิสูจน์ลองดู ทุทธเจ้าเคยท้าทายผู้ใดไม่สติไปในกายหนึ่งวันถึงเกตวันอย่างกลางหนึ่งเดือนถึงเกตเดือนหนึ่งปีถึงเปีปอย่างชาติมีอนกสงสองประการหนึ่งเป็นพระอนาคามีบุคคลผู้มีพบเดียวสองเป็นอรหันต์ไม่ใช่อะไรหมายถึงผู้ใครจะข้าศึกไม่มีข้าศึกในชีวิตอันนี้ มี ใ, ใครพิสูจน์เรื่องนี้บ้างในคิดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทถ้าไม่พิสูจน์เรื่องนี้อาจจะพิสูจน์เรื่องอื่นผิดพลาดเพหลักมันอยู่ตรงนี้เพราะท่านสติเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของใจอย่าให้ความหลงเป็นเจ้าของกายอยาให้ความหลงเป็นเจ้าของจิตใจให้สติให้ความรู้สึกเป็นเจ้าของถ้าความหลงเป็นเจ้าของมันก็เถื่อน แม้แต่กายกับใจก็เบีเ่ยงเบนกันบางทีกายเบีเ่ยงเบนใจบางทีใจบี่ยงเบนกาไม่เป็นทรรต่อกันบางทีกายหิวข้าวใจเป็นทุกข์บางทีใจโกรธร่างกายกินข้าไม่ลงมันก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่มีใจก็พึ่งมันไม่ได้มีใครพึ่งใจได้ไหมบางคนไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงข่มไล่ข่มดี อันตรายเราจะต้องฝึกผลเราเจ้าที่อยู่ตรงนี้เราจะเห็นมันอยู่มันจะเกิดเลยขึ้นมาสามารถที่เปลี่ยนได้กรรมฐ า, านหรือว่าภาวนาภาวนาคือเปลี่ยนได้เป็นดีอะไรที่มันไม่ดีเปลี่ยนให้เป็นดีได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกข์เป็นรู้เปลี่ยนโกรธอะไรต่างๆเป็นพระพิรูธได้เปลี่ยนไร่เป็นดีหรือว่าภาวนาไม่ใช่บริกรรมอันหลงที่ไหนเปลี่ยนตรงนั้น ไม่ใช่หลงที่บ้านไปอยู่วัดไใช่หลงตรงไหนเปลี่ยนพรงนั้นให้มันเป็นธรรมเกิดขึ้นต่อชีวิตของเรานี่คือการฝุกผลตนเด็กในเรื่องของหลักสูตรก็มีอยู่แล้วกายานาุปสนามีสติเห็นกายกายสว่าะกายไม่ใช่สัตว์ปลมีสติไปนในกายกายในกายไม่มีตนอยู่ในกายเพ่นเอากายเป็นตนเข้าไปอีกหลายภพหลายชาติวงล้อนก็เป็นกู กูร้อนกูหนาวกูหิวเช่นความหิวเลยเป็นกูหรือว่าเป็นกายถ้าหิวข้าวนะดีไหมเวลาหิวข้าวดีไหมมีใครเป็นทุกข์ใจเวลาหิวข้าวทุกข์ไหมทาไมทุกข์หรอมันเป็นเรื่องดีอายุเจ็สิบกว่าปีหิวข้าวโอ้ยชื่นใจแต่ถ้า่าร่างกายนะี้ปกติที่สุดแล้ว แต่บางคนไม่รู้เวลาหิวเข้าวเราโคตมีบ้างไหมหิวเข้าลเราโคตไม่ถูกท่องเลยเวลาหิวนี่ชื่นใจแสดงว่ารูปธาตุของเราปกติที่สุดถ้ามีหิวอันตรายลองตาพ่วยอยู่สองปีไม่หิวข้าวเลยน้ำหนักเจ็ดบ้ากิโลเหลืออยู่ห้าสิบสามกิโลตายไปเมื่อคืนมาใหม่เลยเพิ่ขึ้นมาปีนี้ ไม่หิวอ่าไม่ใ่ดีนะหิวข้าวนี่มันเรื่องดีทำไมไมาทุกข์ใจเพราะไม่รู้ร้อนดีไหมหนาวดีไหม ย, ยุงกัดเจ็บดีไหมเหยียบน้ำดีไหมเจ็บไหมมันดีมันจะเป็นสัญญาณภัยของเขามันจะรู้จับแค่ถ้าเหยียบไฟไม่เจ็บอันตรายเดี๋ยวก็ลายเป็นโรคมาเร็งได้ใช่ไหมเลือดไม่มีไม่มี อ่าประสาทเป็นยันตรนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดีแค่านาวมันก็ดีจะได้ช่วยเพราะร่างกายลูกมันไม่ฟังเสงกันมันมีธรรมชาติมีการของเก่าเป็นกูหรือไม่ใช่ความหิวไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติของลูกความโล้นไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติของลูกขอ ค, คุณของไม่ใช่เป็นเรื่องทุกเด็กคนไม่รู้มาโผลกันไปหมดเลยอามาเป็นเรื่องทุกนี่จึงเป็น ความชั่วก็อยู่ตรงนี้บางทีว่าเป็นเรื่องทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ในรูปเนี่ยมันเป็นของธรรมชาติเป็นอาการของเขาไม่ใช่เราอาการธรรมชาติไม่ใช่การเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปธรรมชาติใจก็เหมือนกันถ้าเรามาเห็นมีสติเห็นเช่นความโกรธไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจ ใจใหญ่ไหมไม่ไโกรธพระพุทธเจ้าตัดว่าจิตของเรามันผ้าขาวสะอาดประพัดสอนผ่องใสยอยู่เสมอแต่อุบาติเลตปัญจรมาทําให้เศร้าหมองความเศร้าหมองความสกปรกที่ผ้าขาวไม่ใช่ผ้าเป็นสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นเพราะไปเปิดไปเวียนอะไรมาชักความโกรธเกิดขึ้นกัใจเปลี่ยนได้ไม่ชักยากเหมือนผ้าเพียงแต่เปลี่ยนความโกรธเปลี่ยนไม่โกรธมันก็เปลี่ยนได้ ง่ายไม่เหมือนเปลี่ยนนะตื่นไม่ใช่ใจความโกรธความทุกข์วิถีของสมองความเครียดไม่ใช่ใจเป็นอาการเกิดขึ้นกับจิตเคยถามนักปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติธรรมน่าบูดบดนก็ถามอ่ะทำไมอ่ะเป็นไงหนูวันนี้หนูเครียดมากง่วงก็ง่วคิดหมากไม่ใช่ นักกรรมามก็ไม่ตอบอย่างนั้นตอบไหมหลองตาบอกให้ดูให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นไม่เอาตอบแบบนี้ไม่เอ า, อ ม, เอามันก็เคียดจริงอะ่ะมันชิดมากมันก็ง่วงไมเหมือนทุกวันนะไม่เอาตอบแบบนี้ไม่เอ า, อ ใ, หเอาให้ตอบยังไงล่ะหลองตาบอกให้ดูมันดูให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นเอาเลยคิดแต่หน้าตาก็ซึ้งเงี้ยนะ วันนี้ดูเห็นมันเครียดเอออย่าไมดีใช่ไหมว่าใช่เป็นผู้เครียดเห็นมันเครียดเห็นมันเครียดเป็นผู้เครียดต่างกันไหมเห็นมันโกรธก็เป็นผู้โกรธต่างกันไหมเห็นมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์ต่างกันไหมให้เป็นผู้เห็นพระเจ้าเห็นอย่างนี้อะไรก็ตามพระเจ้าเป็นผู้เห็น <c oughs> เป็นผู้ <c oughs> ดูไม่เข้าไปอยู่กับเขา เห็นแล้วอยากเข้าไปเป็นมันมีทางอยู่มันมีทางอยู่ในเรื่องของกายใจเราเนี่ยมีทางออกความทุกข์ไม่ใช่จิตใจความหลงไม่ใช่จิตใจความกังวลความเพียรค้มมงงหอนอนไม่ใช่จิตใจมันเป็นอาการเกิดขึ้นกับใจเราให้รู้จักว่าเวลาเราไม่มีสติรู้จักตัวเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆ ค, ย ค, ยคยำนี้คำนา้นขึ้นเบื้องแรกก็ฝึกหัด ทำไปทามาไม่ต้องเผืม่มันคือเบิกให้เป็นไม่สอนให้รู้สอนให้เป็นการสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้ไม่แต่สอนให้ลูกเพราะเราจบจากการเรียนลูกมาทั้งหมดลูกมากกว่าลางตาด้วยแต่การสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเองเวลามันหลงรู้เป็นไหมเวลามันโกรธรู้ทำเป็นไหมเวลามันทุกรู้ทำเป็นไหนถ้ามันรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้มันจะจานานไปจานานไปง่าย ให้ที่สุดเลยเป็นของที่ทำได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้เป็นอัศจรรย์ชีวิตเัานะั้นะปเชิดตรงนี้แล้วไม่ได้หัดตรงนี้ไม่ไปเสิดเลยเพราะมนุษย์เราไม่มีสมองสมองของมนุษย์เนี่ยมันสามารถทำชั่วได้มากที่สุดไม่เหมือนสัตว์จึงมีศาสนาควบคู่อย่างนี้เรามาคิดรู้เสึกตัวความคิดมีสองอย่างไม่อยากคิดองคคิดอันหนึ่งตั้งใจคิด อีกอันหนึ่งไม่ได้ตั้งใจมันคิดขึ้นมาเองอันนี้ต้องรู้ทันทีอันความตั้งใจคิดไม่เท่าไหรหรอกไม่อยากคิดด้วยช่องปากแต่เม่อการหลงคิดเนี่ยขยันหรือว่าสังขารมันมีอาชีพเรื่งหลงนะ่ะถ้าเราไม่เฝิกตนนะ่ะมันจะไหลไปทางนั้นจึงเหยียบตรงนี้ให้เป็นทางเอาไว้ทางคือความรู้สึกตัวเป็นร้อยแห่งความรู้สึกตัวพวามรู้สึกตัวไม่ใช่ความรู้เฉย มันงอกงามขึ้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เป็นการละความชั่วเป็นการทํากามดีเป็นการทับขีดให้บริสุทธิ์ได้มันไปพร้อมกันเป็นเป็นพวงไปเลยเหมือนกับตลาดนัดของคุณนของควมดีไปที่เดียวไปเป็นพวงไม่ใช่ยากเลยน่ะถ้าเรามีสติน่ะตั้งต้นจากตรงนี้ไปให้แม่เป็นทางเอาไว้พระพุทธเจ้าเทพกันแรกพูดเรื่องทาง คุทลองทางเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นทางหมายเลขหนึ่งเป็นทางเอกไม่ใช่เอดเช่นมันเกิดจากลุ่มอลวนของความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วมันก็ค่อยๆเกิด อ, อ, อ, อดื่นเข้าไปคิดถูกพูดถูกทำถูกตั้งใจถูกไม่สติถูกท่องไปเลยถ้ามีความคิดถูกวิสติสัมัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้น เหมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตของโลกสามารถมองเห็นได้ไม่มีอะไรหลอกเราได้แล้วหลอกคนอื่นหลอกได้แต่เราหลอกตัวเองหลอกไปได้นี่จึง เ, เป็นของยิ่งทุกคนไม่ใช่เป็นการโฆษณาถ้าไม่เชื่อแล้วนี้ก็กกไม่เชื่อตัวเองไม่ใช่หลวงตาผู้ในท่านทั้งหลายมาเชื่อไม่มีสิทธิ์ผู้ในท่านเชื่อไม่ต้องมาศรัทธาเราให้เอาไปทาดู ให้ออไปทำดูว่ามันเป็นอย่างไรถ้าไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตัวเองความหลงหรือชอบเลยไม่มีใครชอบถ้ามีความรู้แล้วความโกรธก็ไม่มีใครเอาถ้ามีความรู้แล้วความทุกข์ก็ไม่มีใครเอาถ้ามีความรู้แล้วมันเป็นไปเองมันละความชั่วมันทาความดีไปเองนี่เป็นหลักของการฝึกผลตนเองไม่มีคำถามมีแต่คำตอบคนดื่นตอบให้ไม่ได้เราต้องตอบเอง ัจะทำไปอย่างนี้ถ้ามีความถามเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่สัจจะความโกรธเป็นสมมติบัญญัติวามไม่โกรธเป็นปรมตสสัจจะจริงกวกกันความทุกข์เป็นสมมุติคมไม่ทุกข์เป็นปรมตสสัจจะจริงกวกกันความหลงอะไรต่างๆเป็นสมมติบัญญัติแล้วแต่ใครปัญญัติต่างกันตาเห็นรูปบัญญัติว่าชอบไม่ชอบหู้ทียินเสียงบัญญัติว่าชอบไม่ชอบเมื่อชอบมาชอบมิุปัทางก็าไปยึดสําคัญมั่นหมาย นี่เป็นสมมุติเแบบไปไม่รอดเป็นเวียนว่ายแต่เกิดอยู่อย่างนี้ถ้าปรมจาจัตจะเป็นหนึ่งเดียวท่านไม่มีคําว่าชอบไม่ชอบแล้วแต่เราจะสมมุติดอกบางคนสมมุติเอาความสุขความทุกข์ต่างกันอย่างอาตมาหลวงลังตาสมมติไทยพังเรื่องหนึ่งสมัยเป็นพระน่มสมัยปีห้าร้อยบเอ็ไปเดินทุ ด, ดงไปนอนอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่ ฝนตกท้องคืนแล้วก็มีกดกลางนอนแบบข้างบนมันไม่เปียกแต่ข้างล่างน้ามันหลากมาเรานอนอยู่ที่อย่างเอียงหน่อยน้ํามันไหลมาแล้วก็เปียกเรานอนเดี๋ยวก็ไหลเวลานั่นทําังไงลำบากไหมนอนแช่น้ํำลำบากไหมก็เอาเอาบาดนาบางเอาผ้าผ้าใส่ในบาดบาดอย่างนี้ผ้าผ้าใส่ในบาดเอาก้อนอิด ที่นั่นมีก้อนอิดโบราณใหญ่ขนาดนี้เขามาลองแต่พกก็นอ น, อนเราสมมุติยังไงถ้าเป็นพวกเราจะสมมุติยังไงลำบากไหมลำบากโอ้ยผนตกเพียดเราสมมุติยังไง ร, ร้องไาเลยสมองวันนี้เราเป็นกบคืนจะกบเขาอยู่ต้อง10บปียี่สิบปีเราเป็นกบจะคืนไม่ได้หรือ ก็ัต้องนอนแค่หน้าแบบนี้นะนอนหลับนี่เป็นสมมติบัญญัติความสุขความทุกข์บางคนสมมติขึ้นมาเป็นทุกข์ไม่ใต่ถ้าเราสมมติบ้างสมมุติง่ายๆไม่เป็นไรช่างหัวมันเหมือนอาจารย์พุทธทาสว่ายาวิเศษไม่เป็นไรสมัยก่อนก็อบปสมบดจำเนนน้อยภาคดูร้อนเล่นละครธรรมะ กับอาธรรมต่างกันยังานอยากจะดูละครไหมเอาเนรสองลูกเวลาเนน้อยนั่งอยู่เอามาสาธิตละครเนรน้อยสองลูกเดินมาเดินมามาชนกันล้มลงเอล้มลงลุกขึ้นมาต่อยกันเลยได้ไปแยกออกอันนี้เป็นฉากหนึง่งอันนี้เป็นอกุศลอีกฉากต่อไปเอาเนรน้อยสองลูกเดินมา โยนกันลุ้มมองไปขอโทษครับขอโทษครับผมผิดผมผิดผมผิดผมไม่ดูขอโทษครับต่างคนต่างขอโทษกันเจ็บมากไหมพอทนได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เป็นธรรมะอะไรที่เป็นธรรมเป็นอรธรรต่างกันไหมฉากของธรรมะถา้ากอรธรร ม, มันอยู่ตรงไหนอยู่ใใจเราชนกันเหมือนกันแต่สมมติเนี๋ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรให้อภัยกันได้แต่สองคนก่อนไม่ให้อภัยกันเลยถอยกันเลยอันนี้แล้วแต่ใครสมมติหอกในหัวใจของเราเนี่ยมันมีอะไรเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างอย่างคาว่าทานน่ะเนี่ยทานเนี่ยสละอารมณ์เน่าที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจอารมณ์เน่ารู้จักไหมหน้าบูดบูดรู้จักอารมณ์เน่าไหมถ้าไม่รู้ก็เวลามัน เน่าในหัวใจไปส่องเงาอะไรกระจกอยู่น่าจะบดบดสละออกไปสละอารมณ์เน่าที่เป็นข้าสึกต่อจิตใจออกไปไม่เป็นไรเอาไว้ไม่เป็นไรก่อนออกหน้าออกตาแม้จะทํำมาได้ก็ต้องคิดไปทางนี้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาดิ้นท่าไม่เป็นไรเขาสั่นเสิร์ไม่เป็นไรได้ก็ไม่เป็นไรเสียก็ไม่เป็นเอาทางนี้ไปก่อนไว้เป็นทางเหมือนกันอย่าไม่ไหวไม่ไหแย่แย่ เรื่องหนหลวงตาเคยไปสอนทำที่เชียงใหม่ในช่วงเดือนเมษาสมัยก่อนไม่มีรถทั ว, วร์รถตบประกาศไม่มีเป็นรถที่ขอนเจ็ดรถสีส้มเราให้นั่งข้างหลังแล้วก็รถเก่าๆมันมีติดเครื่องข้างหลังแล้วก็มีเบาะไม่ดีก็เครื่องก็ร้อนขึ้นเราขึ้นไปนั่งจองคนมาแน่นนั้นไม่มีแพนลนร้อนเราไปด้วยกันสามลูกหัวร้อย เพื่อนหลงตาปะเอาหนังสือมาวีไม่ไหวไม่ไหวแย่แ yeah, yeah, ย่ตายตายตายสมมติบัญญัติใช่ไหมหลนตากว่านั่งข้างๆไม่ตายไม่ตายไหวไหวไ่แย่ไม่แย่ <laughs> but yeah, but yeah. มันต่างกันไหมความโลอนเหมือนกัน่ะแต่สมมติใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันบัญญัติคนละอย่าบัญญัติแบบตลงโทษตัวเอง ต, งต้องต้งที่ทุกอยู่ไม่ไหวไม่ไหวไปปลนี่ใครแทนที่มาทําใจซะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนเราบอกว่าแย่แ yeah, ย yeah ่เราบอกว่าไม่แย่ไม่แย่แต่ไม่พูดให้ออกเสียงนะคิดแต่งใจทวนกระแสคำว่าทวนกระแสนี่คืออยากให้มันไปในทางที่ต่ำยกไว้ใจหัดไว้ให้มันสูงไว้แว่าตายตายเราตาบอกไม่ตายไม่ตายเงื่อนเขาไม่ค่อยบอกนะอันพระเพื่อนก็นได้ไม่ไหวตายตายเงื่อนส้มเลย มันร้อนทั้งกายทั้งใจด้วยทุกวันนี้คือว่าโลกร้อนแต่ใจอย่าร้อนเหมอนจันทน์คนพูดว่าร่างกายพิการแต่จิตใจแจ่มใสักงพูดคนที่ได้จะทุกที่สุดในโลกคือจันทน์คนนอนอยู่กับบ้านยี่บกปีจึงคยพบกันมันก็นี้น่าจะทุกข์กว่าใครในโลกเดือนนี้ก็ ไม่ได้อย <wi> ู่กับพิการแล้วพิการเรื่องร่างกายใจจิตใจแจ่มใสทุกคนทำได้เพราะใจไม่เจี่ยงก่องอมื่อไรเชื่อกับธรรมะทาได้ทุกที่ทุกทางไปไม่มีวัตถุหนึ่งสองมาช่วยส่วนร่างกายต้องมีวัตถุหนึ่งสองมาช่วยเช่นความร้อนต้องมีน้ําอาบต้องมีพัดลมใจใจให้มันร้อนก็ทําใจเย็นๆเตาหลงเปลือ ให้เย็นอยู่ในเตาหลอมเด็กจะดีที่สุดตรงไหนที่มันร้อน เ, นเย็นจะว่าต้องหัดจากนี้นะไม่มีจริงคำว่าทุกเนะี่ยใจเนะี่ยอันกายไม่ธรรมชาติธรรมดาของเขาเมื่อเราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตอย่างทางก็มีอยู่ระดับมันเฉดหลงทางมีอยู่สี่ตำแหน่งหนึ่งกายเวทนาเวทนาคือสุขกุทุกข์จิตรำจิตบางทีบางทีมันคิด อันนี้ก็ทำให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้แต่ถ้าจิตเสพจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัตนเราขอเป็นทางตัวนี้ด้วยเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีทางเลยเห็นมันเสพว่าเวทนาจิตเสพจิตธรรมว่าธรรมเช่นถามสุภาพปฏิความงอหอหนความเครียดเป็นธรรมไม่ใช่จิตเป็นธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราถ้าไม่หลงสี่สีด่านนี้ยไปรอด มันก็มีหลงตรงนี้ทุกคนถ้าคนฝึกขนตนแดงต้องจจอสี่ด่านนี้การหลงที่กายหลงที่เวทนาคือศกคือทุกข์ร้อนหนาวอะไรต่างๆเยอะแยะในการไม่มีเวทนาในจิตก็ไม่ีเวทนานเวท น, นาไม่ใช่จัตุขณเป็นสัตวาเวทนาไม่ใช่ตัวเจตตนจิตก็เหมือนกันที่มันคิดนันคิดนี่ไม่ใช่จิตจิตจริงๆไม่ได้คิด ถ้าเราหัดแล้วมันก็อยู่เป็นที่เป็นทางต้นไม่หัดก็สุขสนมากเหมือนลิงอยู่นิ่งไม่เป็นแต่อันจิตที่มันคิดนี่แหละตัวคิดตัวหลงอ่ะทำให้รู้ได้ไม่ใช่หลงเป็นหลงความหลงเป็นความรู้ได้เมื่อมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมไม่หลงตรงนี้แหละก็ผ่านได้ใส่คุญเจช่โซได้ไปได้สบายเลยไปเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรม รูปแล้ก็เป็น ก, นนกน้อนหนึ่งน้ําก็เป็นข้อนหนึ่งมันอาศัยกันอยู่ระหว่างรูปธรรมกับน้ำธรรมรูปมันเป็นรูปธรรมมันทําดีอย่างทําอย่างนี้รูปมันทํามันทําดีที่ทําชั่วอย่างเนี้ยถ้าทําอย่างนี้ทําดีทดี่ทำชั่วรูปมันทําชั่วรูปมันทําดีอะไรสั่งจิตเป็นนายกลายเป็นเรือจิตนั้นเป็นนาย อาจรยนี่อะไรสั่งจิตใช่ไหมนามอาจารย์นี่อะไรทำนามทำสั่ ง, ง, งเขาสั่งเอาปืนมายิงอะไรสั่งมันยิงไหมเอามีมเอาเชือกมาแฉนคอมีไหมโดดหน้ามตายมีไหมมีเมือนกนัอะไรมันสั่งจิตคิตมันเป็นใหญ่เพราะนั้นรูปทำนามทำมันทําดีมันทําชั่วเพราะรูปพร า, าํา ถ้าเรามีสติเห็นเห็นเห็นอาการที่กระทําของจิตของของรูปของนามมันก็เปลี่ยนได้ในจิตในรูปในนามนี่มันเป็นรูปโลกนามโลกโลกของรูปต้องเกี่ยวข้องกับหมายอย่างปัจจัยหนึ่งสองสามอันโลกของนามรักษาด้วยตนเองอันโลกของรูปวางอย่างรักษาไม่ได้บางจากรักษาได้เช่นขรง ร้ <L ot> อนความหนาวไม่ใช่รักษาเป็นวันเทาทุกข์ของลูกโรคของโลูกบางทีต้องบันเทาไม่ใช่แก่เช่นหนีวข้าวไม่ใช่แก่บรรเทาปาบน้ํามันร้อนอาบน้ํามันหนาวผงผ้าบันเท า, า, า, า, า, เทาแก่ไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้นอันรูปโรคหนาวโรคน้ำโรคแก่ได้น้ำโรคแก่ได้เช่นของโกรธเป็นขั้สุดท้ายได้ ควทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายได้ความหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ไม่ควรที่โกตรธจนตายหลงอยันตายทุกจนตายถ้ายังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่ยังหลงอยู่เวียนเปลี่ยนกันอยู่ล่วสมัยที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปกันแล้วต้องฝึกฝนตนเองมันเป็นขั้งสุดท้ายได้โลกของหนามเนะี่ยมันเปลี่ยนได้จริงๆมันแช่ได้มันดีอะไรความโกรธบางคนโกรธแล้วไม่จืกลืมจังไม่ดีที ถ้ากูได้โกรธลูกูลืมไม่ได้ตายกูก็ไม่ลืมมันละถ้ากูไ ม, ามาไม่ได้โกรธกูไม่ด่ามันก็ไม่ได้ต้องด่ามันก่อนแล้วบางทีโกรธต้องรีบรีบไหมเวลาโกรธรามาจึงรีบแหละจะไปด่ากันถ้ามาจึงรีบด่ากันกลัวมันจะใจดีจะไม่ได้ด่ากันต้องรีบทําตามความโกรธให้ความโกรธสังงานสังงานเพราะนั้นวิธีที่จะทําให้ใจเย็นนอะเวลาโกรธอย่าพูดมีเสด็ก่อน ตอนหลัขงของกรรมฐ า, านท่านบอกว่านับถึงก่อนหายใจเข้าให้นับหนึ่งถึงสิบก่อนค่อยด่ากันหนากันมาได้หายใจเข้าสองสิบครั้งแล้วหายโกรธเลยไม่ได้ด่ากันเลยเพราะความโกรธมันไม่ใช่ตัวใช่ตนบางทีเราโกรธทาทำโกรธตีลูกเคยไหมเคยตีลูกไหมน่าไม่ทวนเวลาหายโกรธเราเสียใจ เราลองให้เอาอยาหม่องมาทาให้ลูกไม่หลงเสียาย <Okay. S 1> เวลากลักันถ้าดอกกันแล้วเวลาหายโกรธอายกันมีบ้างไหมจม่ยายมีเพียร์จ่ายปิดปตูบ้างไงเคยเสียเปียกขมโกรธไหมฮะโน้นตาเคยเสียเปียกขมโกรธนักกันนะโอ้ยเจ็บใจเท่าตัวนะตีน้องสมัยก่อนเป็นหนุ่มน้อยทํานากันน้องไถานาข้าม อควายจะไม่ไกินหญ้าบอกแค่น้องออกควายไปกินหญ้าตายน้อน้องมันไม่ออกไปยังขี่ควายวนเราอยู่ทำไมมึงไม่อกควายไปกินหญ้ามันบอกว่ามันกลัวกลัวทาไมตกของน้องลงไปนอนกองนาเกียรที่คนล่องให้พอน้องล่องให้คิดสงสารโอ้ยเอาน้องเกินมาเวลาหนึ่งโกรธเวลาหนึ่งสงสารเสียใจเสียใจเวลาโกรธเสียเปรียกของโกรธมีไหม นี่น้องตาเสียเปล่ความโกรธเฉลดหลับที่ตัเอาเละกว่าเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยความโกรธขอกป็นขั้นสดท้ายเถอะจะไปด้วยกันไหมเป็นขั้นสุดท้ายเถอะไม่มีประโยชน์เลยความโกรธไม่จะบีบเปลี่ยนต่อโกรธตัวเองโกรธคนอื่นเหมือนจุดไฟโหตัวเองมันเป็นขั้นสุดท้ายได้ถ้าเรามีสติดีนะนั้นจึงฝึกผลตน้นแดงมันมีจริงๆบุญมีจริงๆและบาปได้เป็นมักเป็นผล จริงๆมันเป็นมรรคเป็นผลต่านี้มันหลงเปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวรู้ตัวนี้ตัวหลงเป็นเหตุตัวหลงเปนเหเพื่อเปลี่ยนตัวหลงเป็นรู้เป็นผลทันทีมันเปลี่ยนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนี่คือภาคปฏิบัติเป็นไม่ใช่ภาคทฤษฎีเป็นทางไปมันเป็นทางไปอยู่ไม่ใช่มืดแปดด้านมีทางออกถ้าเรามีทางฝึกผลให้เป็นทางไปแล้วมันใช่ได้ ขออภัยน้องตาเคยเจ็บป่วยอย่างยิ่งผู้อย่างแรงที่สุดเป็นลรคมเล็งในลำคอฟ้อนเมื่อตัวเร็วหายใจไม่ได้หายใจไม่ออกเกือบอาทิตย์เหลียมลงเหลีมลงเคยเหลีมลงหายใจไหมถ้าใจตั้งใจหายใจนหายไม่ได้ค่อยเหลีมค่อยสอดเข้าไปค่อยๆเล่นอยู่ไม่แต่หมอนี่แต่ประมาณถามถ้านกป่วย สนุกเก็บก้อนเนื้อจะปอนปวดท้องอย่างนักนี่คุณหมอมาทำอะปวดมากไหมลงตาปวดมากจีเปอร์เซนเอาเลยไปเปอร์เซนแต่รอดเปอร์เซนไหมเกินร้อยแล้วมันลุงตานอนเฉยเฉยมันปวดจะแดงกับปวดมันทําไมดูวันเห็นมันปวดใช่ไหมเห็นมันปวดไม่ใช่เป็นพวกปวดมันก็ยาวไปตัวมันไม่พอเวลานานไปนานไปก็มันก็หายใจไม่ออก พอหายใจไปได้หมอห้องเอซไม่ถึงสองนาทีเลยมันเข้าเลยหายใจครั้งถึงไม่เข้าเอาอีกแค่น้อยกันนะสองครั้งก็ไม่เข้าเอาอีกแค่น้อยกันนะสามครั้งไม่เข้าใจสิเดเห็นงันหายใจไปได้แล้วก็รู้ว่าไม่เป็นไประมารเห็นมันเห็นลูกครั้งที่สี่ก็ไม่เข้า พอครังที่สี่หาใจไม่เข้าน้ําลายพงตาก็มาว่าจมมือมาเช่ดน้าลายยกมือมาขึ้นพอยกมือมาขึ้นก็ดูมันเอามาหายใจไม่ได้เขาไม่ต้องหนมันละ่ะใจเลยอยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ตรงนี้เป็นอะไรอยู่ตรงไม้เป็นนายตามันข้างขึ้นมาหลับไป้ลงเอาทิ้งซะลูกเนี่ยเขาต้องออกมันดอกเราไม่ต้องอยู่กับมันลูแล้วอยู่ตรงไห น, นอยู่ตรงนี้เป็นอะไรทำได้ไหม ทำได้ทําได้งไงฝึกมาขับลถงปรเทียนมาสี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้ของเราไม่ใช่สี่สิบปีโน้นไม่เป็นเดี๋ยวนี้เราฝึกฝนมามันทําได้แนะแล้วก็หอดไปไม่รู้ว่านอนเท่าไหรพอตื่นตัวขึ้นมานะเดินจากมอโอทองมาสอดเข้าเป็นรำคอเอาพูดนี้ได้พยาบาลเรียกว่า หลองตารลองตาไม่ขับไม่ถ่ายมาสามสี่วันแล้วเออลองตาที่ไหนห้องตาเอาทิ้งไปแล้วถ้าจะอดจากขั้นนะถ้ากดขั้นมันทรมานตายก็ลื่อนตากันดูตัวเองอเออแล้ตัวเองอมท่ออยู่ดูแล้วนะ่าสงสารเอามันไหมนอยเอาทิ้งไปแล้วเพราะว่าทรมานตายไม่ตยเหรือ เอาใจมันเป็นธาตุอะไรธาตุดินหรือแต่ธาตุตัวเนี่ยหล่ตาไม่มีแล้วเหลือแต่ธาตุเลยมีดินมีน้ามีลมมีไฟเอาดินต้องเป็นดินสิน้ําต้องเป็นน้ําไฟต้องเป็นไฟลมต้องเป็นลมอย่าให้เป็นอื่นนะลองพวกเธอทั้งสี่เนี่ยช่วยกันดูสิผมขนเล้ววันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกห้าหมอใหญตับไปปอด ไตปวดังผื่นช่อใหญ่ช่อน้อยอาหารใหม่นั่นเขานี้เป็นธาตุดินมันมีไตหรือเนี่ยมันทรมาไตหรือโอมันมีไตมันเป็นธาตุดินเนาะเอาช่วยกันมาช่วยเพือมาคิดเรื่องนี้ลำดับเรื่องนี้เหนื่อยเหนื่อยเอาทิ้งไปอีกเอาทิ้งมันดีแหละรูปเนี่ยถ้าไปกางบนเกินไปมันไม่รอดพอเอาทิ้งมันับมาดูอีกมันดีขึ้นก็เอาทิ้งไปอีกกลมาดูอีกดีขึ้นเพราะมันดีขึ้นเอา เราลื้นตาปลกตัวเองขึ้นคนมาตืนอยู่กระจกข้างนอกก็กระจกน้าล่วงเป็นแถวเอาคนเอาทาไมเนอะโยมมาลองให้กับเราเราไม่มีทุกข์อเล ย, เลยมาลองให้คนไม่มีทุกข์อย่างน้นาโยมท่านที่จะไม่ลองให้เสียใจแต่เรานี่ไม่เป็นไรเลยอยากจะพูดกับโยมพวกมันได้แต่ปลุกตัวองขึ้นมาอันอมท่ออยู่ไปขอปากกามาเขียน นั่งสื้อได้สมองดีนะ <laughs> อระการมมาเขียนหนังสือว่าถ้าโยทควายืนอยู่กระจกข้างนอกข้ากันกลับบ้านนายไม่ต้องเป็นห่วงน้องตาน้องตาเป็นชีวิตส่วนตัวมากที่สุดเวลานี้กลับบ้านซะก็กาแฟการอ่านยังมางเืา <c oughs> อ่นอนกอดยาวเเขาคิดถึงเราเลยก็เลยมาคิดใหม่ว่าถ้า ผู้คนทั้งหลายไม่ฝึกสติเนี่ยเขาจะอยู่ไงเนอเวลาอย่างนี้เวลาอย่างนี้เขาจะทํำยังไงไม่มีกรรมฐานไม่มีที่อยู่เนี่ยเราต้องไปสอนเขาเราจะสอนอยังไงเราจะตายอยู่เราต้องไม่ตายช <laughs> มีกำํำลัไกลขึ้นมาว่าเราไม่ตายทําไมน่ะต้องไปสอนเขาเราก็สอนอยู่แล้วปัป่าสุาโตก็สอนอยู่แล้วยังไม่พอต้องสอนมากกว่านี้ มีกําไรขึ้นมาพยายามปวดเบาขึ้นมาเออเออทิ้งมันไปบางเรดีขึ้นเรเบาพยาบ า, อ า, อ า, าลอว่ากระทุนไม่รุ่นกระทุนเลยขอใครหมอหมอเลาโอ้ยเทพธิดาหลงตาเทพประปุษต์หลงตาคนหมอบ้างพยาบาลบ้างเป็นหนี้เป็นสินประเทศชาติมากที่จดหลงตานะฮิจิโมโรอนหนึ่งแสนสองแปดหลอด ใหลังสีอีกสามสิบครั้งเอกซ์เดยีดพีพี่เจนแหนครั้งหนึ่งหกหมื่นบาทไม่รู้ว่าจครั้งหมดมันเป็นล้านๆพวกเรายชงงื่องเสียภาสีก่อนประเทศชาติพาอแม่พี่น้องส่งลูกสาวลูกชายเรียนแพทย์เด่นหมอเขาเศติปัญญามาช่วยเราล้ว อ, อไม่น่าตายนะไม่น่าตายนะจะช่วยประเทศชาติก็เลยมาคิดว่า ก็ใช่ไงใช่ที่ประเทศชาติคือสอนธรรมะสอนธรรมะแล้วปลูกป่าไม่ใช่ไม่เงินไปใช้เขาเออมีกํำไรขึ้นมาได้ปลูกป่าให้ได้เป็นล้านทุนก็จะสอนธรรมะมีกําไรขึ้นมาไม่ตายก็ไม่ตายออจะสอนคนออมันมีพลังใจขึ้นมาดีวันดีคืนขึ้นมาไ อ, อ้ตายมาดีกว่า มีชีวิตอย่ามันลําบากมาพัฒนาใหม่นี่โอ๊ยเห น, นื่อยเหนื่อยไม่ล่าฮัทไปมันตายดีดีเคยว่าความตายเป็นทุกข์ไม่มีความทุกข์เก็บเป็นทุกข์เดียไม่ใช่มันไม่มีมทุกข์ขบ้าทุกข์เนี่ยสุดยอดลอยสุดยอดที่สุดลอยยิ่งว่าเป็นความทุกข์ข้างสุดท้ายเป็นความโกรธข้างสุดท้ายความหลงข้างสุดท้ายควรจะมีเดี๋ยวนี้ดังนนถ้าเราเอาเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาหัด เวลามันโกรธไม่โกรธเอาตรงนี้ก่อนตรงๆงกันข้ามก่อนเวลามันทุกข์ไม่ทุกข์เวลามันหลงไม่หลงอย่างนี้ไปก่อนมันกิดลาดชีวิตของเราวังกับกายเหมือนพ่วงแพเหมือนพ่วงแพเราต้องใช้มันขึ้นฝั่งไงล่ะแพ้นี่คือกายเนี่ยมันผูกมันพังไปเป็นตำอาการของเก่าอย่างตางก็ผูกพังไปมากแล้วมันก็มีการในเวลา แต่ว่าอันความไม่เป็นไรกับอะไรไม่มีเวลาความโกรธมีเวลานะความทุกข์ไม่เวลาความหลงไม่เวลาแต่ความไม่เป็นอะไรไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยความโกรธมันก็หมดเป็นความทุกข์ก็หมดเปมันไม่ใช่จริงจังเราจรึงต้องฝึกตนเด็กกันเพราะนั้นเราจรึงต้องบอว่าเออถ้าเรามาฝึกผลตนเด็กให้ดีๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันจะ มีจริงๆเหนือการเกิดเจ็บตายมีจริงๆรีงศีรษะมาหาปัญหาแล้วเนีจนได้คำตอบออกมาแต่ก่อนไม่มีใครตอบตา้เพราะนั้นเราจะต้องฝึกแล้วนีกน่กันลองดูพิสูจน์กันลองดูเหมือนกับว่าชีวิตเราลอยคอถ้าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นมันจะตื้นขึ้นถ้าเป็นแล้วมันก็ลอยคอถ้าฝังพระริพย์พาดวันสูงถ้าเป็นแล้วมันมันขึ้นมาได้ถ้าเห็นมันจะตื้นขึ้นตื้ น, นขึ้น เป็นผู้เห็นหรือเป็นผู้เป็นอย่างที่ร้ตาบอกถ้าเป็นผู้เป็นมันจะลึกมากเหมือนหากําผ้าด้วยเข่ามันไม่ลาดถ้าเห็นมันจะตื้นขึ้นเห็นนะมันจะง่ายขึ้นเห็นกระตื้นขึ้นเหมือนเหลือด่วนเทียบท่าแล้วเดือเทียบท่าไหมขึ้นไม่ถูกก็ขึ้นยาะถ้าเรือมันเทียบท่าได้ขึ้นง่ายมากถ้าไม่เป็นเนี่ยเอาทิ้งใช่ไม่เอาวันละไม่ปีไม่เป็นเลยจึงพูดว่า เป็นคําพูดที่ไม่ใช่คิดนาพูดไม่มีไม่เป็นไรชีวิตของเราไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นสุดยอดของชีวิตเลยทีเดียวเพาว่าไม่มีไม่เป็นไรมีแต่เห็นหมัอนอย่างนี้อันนี้เป็นการสร้างสมาธิเป็นทางเอาไว้เป็นทางาไว้วันนี้ดีกว่าเพราในเวลาใดที่เรามีความหลงเกิดขึ้นมีฉิดเปลี่ยนไม่ลงรู้จึกตัว เวลาบรรทุกเพี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวเวลาโกรธเพียงความโกรธเป็นความรู้สึกตัวในความไม่เที่ยงของลูกมีมรรคผลในผานในความบรรทุกมีมรรคผลในผานความันทุกไม่ใช่เป็นทุกข์ความไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นความทุกข์เราเป็นทุกข์ผูกความไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ผูกวมเป็นทุกข์ต่อไปไม่ใช่เลยเราเป็นทุกข์ได้ในผ่านได้นในพานคืออยู่กับความทุกข์อย่างพุทธเจ้าว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารเป็นทุกข์ เมื่อนั the, ่นยอมเหนื่อยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเมื่อใดบุคคลเห้ด้วยเป็นยภาวาสังขารไม่เที่ยงเมื่อนั่นยมเหน่อยหน่ยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานในความไม่เที่ยงแท้ใ้ความเป็นทุกข์แท้เป็นนิพพานผู้เจ้าเอาดังนี้มันเหยียบอยู่บนความหลงควมเป็นทุกข์มันไม่เป็นทุกข์ตัวนั้นเวราะไม่เที่ยงเขาไม่เป็นทุกข์ตัวนั้นมันก็เหยียบเป็นทางไปนี ด้วยทางเอกของชีวิตเราเอาไปใช้กับชีวิตจําวันเหมาะสมที่สุดกับทุกชีวิตเหมาะแก่การงานหน้าที่ของพวกเราจะได้เป็นที่พึ่งบาอาศัยของเรากันและกันได้ถ้าเรามีสภาพจิตใจอย่างนี้แบบพึ่งได้พึ่งกันและกันไดให้ได้สวรรค์ น, นิพพานเห็นหน้ากันก็มีสวรรค์ น, นิพพานได้สามีปัญญาเห็นหน้ากันมีนิพพานบ้างไหมเห็นหน้ากันเย็นใจมีไหม เห็นหสามีเย็นใจมีไหมเห็นหน้าปัญญาเย็นยยใจมีไหมให้แม่เห็นหน้ากันเย็นลงไปถ้าเห็นหน้ากันเป็นยักษ์เป็นมารก็สร้างไม่ได้สวรรค์นในผานทําบุญต่อกันสามีปัญญาเนี่ยทำบุญต่อกันเป็นคนดีต่อกันถ้าละ ก, กันต้องเป็นคนดีปัญญารักสามีต้องปัญญาเป็นคนดีสามีรักพัญญาสามีต้องเป็นคนดีพเพราะแม่ลักลูกก็มากันต้องเป็นคนดี ถ้าเราเป็นคนดีสุดหัอใจแล้วแม่แต่พ่อแม่แล้วลูกถ้าลูกเป็นคนดีสุดหัวใจแล้วแล้วลูกเป็นคนชั่วแม่ก็หิวหิวความดีของลูกถ้าลูกเป็นคนดีอิ่มใจใช่นี่แม่ใช่นี่พ่อได้เพราะเรานี่มีพ่อแม่ทุกคนเราจึงเป็นคนดีคือตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยการฝึกฝนตนเองจะดีจริงๆจะเป็นคนคนเดียวกันอย่าเรามีสติเวลานี้เป็นคนเดียวกันทันที ยิ่งเรามีสติยกมือช่างจะว่าสักสิบนาทีเนี่ยเราจะรู้จึกตัวจะเป็นคนคนเดียวกันถ้าเรามีความหลงเป็นคนลราคนไปเลยนี่อัศจรรย์ความรู้จึกตัวเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันทั้งโลกเป็นสันติภาพมิตรภา พ, ภาพเกิดขึ้นได้ทันทีไม่ต้องไปแย่อะไรเดี๋ยนี่คนไทยเราแตกเขาสามีกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าข้างนั่งข้างนี้เมื่อหราจะเป็นอันเดียวเห็นใจกัน เห็นใจพันธมิตรเห็นใจรัฐบาลเห็นใจนายกเห็นใจประชาชนช่วยกันอย่าไปนั่นเป็นกลุ่มนั้นนี้เป็นกลุ่มนี้นนนพูดแต่เรื่องนี้มันก็เลยแตกกันไปอยากจะบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันเห็นใจกันมีหน้าที่เหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันชีดว่าเราเคยเจ็เจ็บตายเหมือนกันทําไมเราจะอยู่ด้วยกันสันติสุขแต่สิทธิภาพตั้งต้นจะเรานับหนึ่งจากเราก่อนรับเราก็าดีจริงๆเป็นมิตรภาพ แผ่นดินราบมืนหน้ากองทรายใจของเราเมื่อมันไม่ปกติจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นินทาก็ปกติสรรเสริญก็ปกติได้ก็ปกติเสียใจก็ปกติใจมันฝึกได้แล้วมันเป็นอะไรมีแต่พระมาตรฐานของชีวิตถ้าเนินทาเสียใจถ้าสรรเสริญดีใจอันนี้ไม่ใช่มาตรฐานมาตรฐานของจิตใจคือปกติไปบ้านของใจให้มีบ้านอยู่ใจบ้านของใจคือปกติ ถ้าพัดถิ่นชิดต้นชินี้จิตใ จ, จไม่มีบ้านแล้วผูผูแพร่แพร่ต้องให้ปกติอย่างนี้